การได้เกิดมนุษย์ในจริงๆแล้วก็เป็นของยากนะพระพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบเทียบอย่างนี้ว่านะเหมือนกับเตากูกตาบอดตัวหนึ่งอยู่ใต้มหาสมุทรหลายร้อยปีก็จะโผล่ขึ้นมากลางมหาสมุทรสักครั้งหนึ่งนะต่อเมื่ อ, อแล้วก็บนมหาสมุทรนั่นก็มีล้อเกวียนนะล่องลอยอยู่ไปในทิศต่างๆนะต่อเมื่อเต่าตาหลับบอดเนี่ยโผล่มากลางมหาสมุทรนั่นแหละแล้วก็สามารถเอา หัวเนี่ยสอดเขาเ้าไปในลอเกวียนได้สักครั้งหนึ่งอนั้นก็คือการได้เกิดมนุษย์สักครั้งหนึ่งนะก็ยากมากนะก็อย่าว่าแต่ตาตาบอดรือไม้แต่ตา ด, ต ด, ดีๆก็ไม่รู้ว่าลอเกวียนอยู่ไหนนะโอ้เป็นสิ่งที่ลําบากจริงๆนะแล้วก็มหาสมนทรก็กว้างใหญ่ล้อกวียนก็ลอยไปลอยมานะไม่มีทางที่จะพบกันง่ายๆนะแล้วก็ทรงยกอ่าพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะ ทรงช้อนเอาฝุ่นติดปลายเล็บขึ้นมาแล้วถามพระภิกษุว่าฝุ่นที่ติดปลายเล็บของเรากับฝุ่นในมหาปฏิพีนี้อย่างไหนจะมากกว่ากันนะภิกษุก็ตอบว่าฝุ่นฝุ่นที่ติดปลายเล็บของผู้ดูองค์เนี่ยเทียบกับฝุ่นในมหาปฏิพีไม่ได้เลยนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออนี่แหละก็คือผู้ที่ตายจากกําเนิดต่างๆนะ ที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีน้อยถ้าว่าฝุ่นเหมือนก็ติ ด, ดาตายเล็บเรานะส่วนผู้ที่ตายไปจา ก, กำเนิดต่างเนี่ยไปเกิดในภพภูมิอื่นเนี่ยมีมากมายมือนกัฝุ่นในมหาปทตีนะก็คือผู้ที่ตายจะกําเนิดต่างๆไม่ว่าจะกําเนิดอะไรก็แล้วแต่นะกลับมาเกิดมนุษย์เนี่ยน้อยมากนะแต่ที่ตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดไปกําเนิดอื่นเนี่ยเยอะมากเลยต้องไปเกิดในสารเสดภูมินะแต่เกิดมนุษย์เนี่ย มีแค่ภูมิเดียวนะส่วนอีก30ภูมิเนี่ยไปเกิดเดยอะมากนะอีกอีกสาภูมินะก็มีจากมนุษย์นี่ก็มีลงไปอบายภูมิก็มีเป็นสัตว์เดรัจฉานไปตะสุรกายสัตว์นรกอันนี้เป็นทุคติภูมินะส่วนที่ไปเกิดในสุตติภูมินี่ก็มีมนุษย์นะเป็นเทวดาเป็นพรหมนะเทวดาก็มีหก 6ชั้นนะเทวดานี่มี6ชั้นภูมินะแล้วก็พรมพรมที่เป็นรูปภมนี้ก็มี16ชั้นนะแล้วรูปภมก็มีอยู่4ชั้นนะก็ไปเกินในกำเนิดเรานี้นั่นแหละนะเพราะนั้นการที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในจริงๆแล้วก็ถือว่ายากมากก็อย่าไม่ต้องดูไกลนะดูแต่ในวัดป่าสุขโตเป็นต้นนะ มีมนุษย์สักเท่าไหร่นะตีสักเต็มที่ตอนนี้ก็มีไม่เกินร้อยหนึ่งนะแต่วัสัตว์เดชานี้อู้มีมากมายเลยนะเฉพาะมดปลวกอย่างเดียวก็คิดว่าน่าจะมีเป็นหลายพันล้านแล้วเยอะมากเนะี่ยมดเยอะจริงๆนะปลวกเกิ็นะแล้วยังสัตว์อื่นๆนับไม่ถ้วนนะแค่ดูเฉพาะในวัดเราเนี่ยสัตว์ก็มีเป็นพันล้านนะ่ยแต่คนก็มีอยู่ไม่ถึงร้อยนะ อันนี้เฉพาะภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานอย่างเดียวนะแล้วถ้าภพภูมิอื่นๆเนี่ยเยอะมากนะภพภูมิที่เรามองไม่เห็นอีกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเปรตสุรกายสัตวนะ์นรกเทวดาพรมนี่เยอะมากนะก็คือจริงๆแล้วถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์นะเทียบกับที่ไปเกิดในภพภูมิต่างเนี่ยเรียกว่าอาจจะหนึ่งต่อเป็นล้านล้านยกกําลังล้านเลยนะซึ่งมันก็เทียบกันไม่ได้นะ เพราะนั้นการที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่จริงๆแล้วเนะี่ยถือว่าโชคดีมากนะแล้วก็ทำไมเป็นเทวดาหรือเป็นพรมไม่โชคดีกว่าเป็นมนุษย์เหรอนะพระพุทธเจ้าก็มาตรัสรู่ในในภพของมนุษย์นี่แหละอ่าทรงมาเกิดนมนุษย์จึงตรัสรู่ได้นะถ้าไปอยู่ในภพอื่นก็ตรัสรู่ไม่ได้นะแล้วก็เทวดาทั้งหลายเนะี่ยก็เรียกว่าถ้าหมดบุญนี้ก็ต้องมามาเกิดใหม่นะไม่ใช่เป็นเทวดาตลอดกาลนะเพราะว่าคนเราเนี่ยทำทั้งบุญทั้งบาปเนะี่ย การที่ไปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมเนี่ยแหละก็เพราะว่ามีบุญอยู่นะพอมาหมดบุญปั๊บเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ลุกคลุกครั้งบางทีก็ไปเกิดนะเป็นสัตว์ได้ฉานเป็นอสุรกายหรือลงนรกไปเลยก็มีนะแล้วก็การบําเพ็ญบารมีเนี่ยก็สู้มนุษย์ไม่ได้นะ่ะมนุษย์เนี่ยบำเพ็ญบารมีได้มากกว่านะเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าโชคดีกว่าภูมิต่างๆทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็เลยว่าการเกิดมนุษย์เนี่ยเป็นของยากจริงจริงนะ แล้วก็เกิดมาแล้วก็มีชีวิตรอดอยู่นะเพราะว่าหลไรเพราะว่าคนที่ตายก่อนเราเนะี่ยที่อายุน้อยกว่าเรานี่ก็มีอยู่เยอะแยะนะแต่เรามีชีวิตรอดอยู่ทุกวันนี้นะนะั่นและแล้วก็ได้มาเป็นบัติธรรมนะแล้วก็่นะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะบางคนอยากจะมาก็มาไม่ได้เนะี่ยก็ถือว่าเราในโชคดีนะมีชีวิตรอดอยู่นะนะแล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาโอ้นี่เป็นเรื่องสําคัญยิ่งเลย คนเราเนี่ยได้พบพระสัรนานี่ถือว่าโชคดีมากนะอย่าว่าแต่ใครแม้แต่คนในเมืองไทยนี่แหละนะมะคนในเมืองไทยนี่บอกว่าเป็นทะเบียนบ้านก็บอกว่าเป็นชาวพุทธแต่จริงๆแล้วแม้แต่ศิลห้า ก, ก็ยังไม่มีนะแล้วก็แทบจะไม่เคยเข้าวัดเลยนะอะไรนี่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมแต่ก็บอกว่าเป็นชาวพุทธอันนี้ก็ ถือว่าเป็นตามทะเบียนบ้านแต่ตัวเองนี่ก็ไม่ได้พบพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดนะแม้แต่บางคนอยู่ในวัดก็จริงนะอย่างเช่นเด็กวัดหรือญาติโยมบางคนนะที่อยู่ในวัดนี่ก็ไม่ได้สนใจนะก็คืออยู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องการรักษาศีลหรือปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาใดๆนะอันนี้ก็ไม่ได้พบพระศาสน า, ษาอันนี้ บางบางคนก็ได้พบก็จริงนะอย่างเข้าวัดมาก็จริงแต่ก็พบแต่เปลือกของพัฒนาก็มีอยู่เยอะนะีที่ว่าพบแต่เปลือกก็คือบางคนเข้ามาในวัดแล้วเนี่ยก็ให้ทานมากกว่านะทำบุญใส่บาต ท, ทอดกระถินทอดปลาถวายสังฆทานเนะี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเปลือกทั้งนั้นนะคนที่มาพบกันจริงๆเนะี่ยมีน้อยนะกันก็คือการปฏิบัตนะิธรรมเนี่ยมีน้อยมากนะอันนี้นะ เฉพาะคนที่ตั้งใจเขวัดแล้วก็ยังเป็นเปลือกอยู่เลยนะถ้าไปเทียบกับทั่วโลกเนี่ยทั่วโลกนี้อูเยอะเลยนะไม่ได้พบพศ า, าสนาเนีเยอะมากนะแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้ปรากฏว่าชาวต่างประเทศนะโดยเฉพาะที่ยุโรปนะยุโรปนี่ก็ปฏิบัติธรรมกันเป็นส่วนใหญ่นะถ้าในยุโรปนี่คนไหนบอกว่านับถือพุทธศาสนานีจะเป็นคนทนำสมัยของเขานะเป็นคนทีน่ทำสมัยแล้วก็รู้สึกว่าอ่ เป็นการที่รู้สึกว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นคนสมัยใหม่จริงๆนะเพราะว่าการนับถือพระศาสนาพุทธในทุกวันเนี่ยเป็นที่นิยมในยุโรปเลยนะที่ได้ฟังข่าวมานะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งนับบันเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยยิ่งจเจริญรุ่งเรืองในยุโรปมากนะโดยพ่อในสายหลวงพ่อชาเนี่ยคนเผยแพร่ได้ได้ยงเป็นอย่างดีนะันใะนะมีวัดพุทธประบีตธรรมปฏิบัตเนี่ย มีฝรั่งมาปฏิบัติธรรมกันเยอะมากนะแล้วก็มีหลายสาขาด้วยนะเพราะว่าชาวต่างประเทศนี่ถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาไม่ได้เข้ามาแค่เปือกเขาเข้ามาแบบเข้ามาถึงแก่นเลยนะเข้ามาหาตัวปฏิบัติเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคนที่จะเข้ามาในพุทธศาสนาเนี่ยก็ถือว่าโชคดีส่วนคนที่ไม่ได้เข้ามาในเยอะมากนะอันนี้พวกเราก็ได้เข้ามาในจุดนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเออเราก็ อยู่ในระดับสามนะแล้วก็ที่ถือว่าเป็นราบอันประเสริฐที่สุดท้ายก็คือเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องได้มาปฏิบัติธรรมนะได้ฟังธรรมอันประเสริฐเนี่ยถ้าใครได้4ีอย่างนีก็ถือว่าเป็นผู้ทีนะ่มีราบอันประเสริฐที่สุดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ที่เข้ามาแล้วเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมและจิตเนี่ยสามารถที่จะผ่องใสบริสุทธ อ่าละอาจจะ ก, กินเลส ท, ทั้งหลายออกจากใจได้เนี่ยก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกในการเวียนว่ายตายเกิดนะไม่ต้องมากลับมาเกิดใหม่ในภพภูมิทั้งสันเด็ดภูมินี่นแหละก็เข้าสู่พันิพยานเลยก็เป็นการพ้นทุกข์ที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีาศาสนาไหนในโลกเนี่ยที่สามารถสอนให้คนเข้าถึงพันิพยานได้นะส่วนใหญ่ก็สอนแค่ให้ไปสวรรค์เท่านั้นเองนะไปสวรรค์หรือไปพรหมนะ ที่ไปสวรรค์นี่ก็มาจากรักษาศีลแล้วก็ให้ทานเป็นส่วนใหญ่นี่ก็ไปสวรรค์ได้นะส่วนที่ไปไปถึงพรห ม, มโลกนี่ก็คือผู้ที่ปฏิบัตินะสมาธิเข้าได้ชาญนะชานหนึ่งถึงชาญ4ี่ก็เป็นรูปรพสิบนหะ16ชนันนะถ้าเข้าถึงอรูปอรูปฌานนะก็เป็นอรูปภ์ไปอีกนะ4ชั้นเะนี่ยก็แค่นั่นเองนะก็คือเข้าได้ถึงยังมากที่สุดก็แค่ อรูปรภพเท่านั้นนะยังไม่ถึงพนิพาณนนะเพราะนั้นก็มีแค่ศาสนาพุทธเท่านั้นเองที่ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้จริงนะคราวนี้ถ้าคนที่ไม่เคยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็จะมองไม่เห็นหนทางนี้อย่างแน่นอนเหมือนคนที่คำเส้นทางโอ้เส้นทางไหนจะไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นออย่างสมัยก่อนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ในอินเดียนั่นแหละปรากฏว่าในยุคนั้นก็มี ครูบาอาจารย์เจ้าลัทธิต่างๆนี่เยอะมากนะสันชัยปริภาโชกนะแล้วก็ครูบาอจารย์อื่นๆ อ, อีกหลายองค์น ะ, นะก็สอนลูกศิษย์ไปในทางต่างๆบาง่าทางนี้เป็นทางพนิพาลลูกศิษย์ก็เชื่อกันไปตามทางนั้นเยอะแยะเลยก็มีบางบางแห่งนะก็สอนให้เป็นโคก็มีให้ให้ทำตัวเป็นโคนะอยู่ยังโค ร, นะรับประทานแบบโคนอนแบบโค ก็ทานทานยาเหมนโคนะบอกว่านี่เป็นทางแห่งความพ้นทุกนะอีกสำนักหนึ่งก็บอกว่าให้ประพฤติแบบสุนักนะก็โดยแบบสุนักก็คือคานสี่เท้านั่นเองนะแล้วก็บางทีก็ไปทานอุจจาระ น, ะนอนแบบสุนักนเสื้อผ้าก็ไม่ใส่ทำตัวแบบสุนักนะ ก็สองสองนทีนี่เขาก็แข่งกันว่าตัวเองในเป็นทางที่หลุดพ้นแน่นอนนะแล้วก็ไม่รู้ว่าอย่างไหนจะพ้นทุกข์ได้จริงๆนะปรากฏว่าสองสำนักนี้ก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันไถนนนปน ถ, นะไถามผู้เจ้าแล้วกันว่าสำนักไหนจะประพฤติถูกต้องนะก็ไปถามุู้เจ้าบอกว่าเออข้าพระอค์ประพฤติแบบโคนะมีทางพ้นทุกข์ไหมอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเออข้าพระองค์ประพฤติแบบสุนัขในมีทางพ้นทุกข์ไหม พระเจ้าบอกว่าไม่มีทางเลยประพฤติแบบโคอนะ่ะต่อไปชาติหน้าไปเกิดเป็นโคนะประพฤติสุนักชาติหน้าไปเกิดปสุนัขเนี่ยจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรนะพวกนั้นก็ก็งงกันนะแล้วก็ฟังทำจนเข้าใจว่าประพฤติแบบนั้นนะ่ะมันก็คือขนทางไปเกิดเป็นสัตว์เดี้ยงชานนั่นเองเขาก็ไม่ทํากันนะอันนี้ก็คือลัทธิที่มาก่อนศาสน า, นานเนี่ยมีอยู่เยอะนะทั้งลัทธินอนทร ม, รมานตัวเองต่างๆนอนบน ูนะหรือว่ากำมือจนอเล็บยาวทะลุหลังมือนะหรือว่ายืนขาเดียวมองพอะระาทิตย์ก็บอเป็นทางพ้นทุกข์นะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาเขาเขา้เขาใจว่านั่นนะคือการทรมานตัวเองเพื่อให้พระเจ้าเนี่ยเกิดความชอบชอบใจแล้วก็ะจะไดะ้ประทานพรให้ให้เข้าถึงแดนของพระเจ้านะหรือว่าคิดว่าเป็นการชำระบาปของตัวเองนะเช่น การทํามาต่งตางๆเป็นการชำระ บ, บาปหรือว่าการที่ไป อ, อาบน้ําในแม่น้ําคงคาก็คือการชําระบาปนะแม้แต่ตายไปแล้วก็ยังไปเผาแล้วก็ไปทิ้งซากศพไว้ในแม่น้ําคงคาเลยเป็นการล้างบาปนะพวกนี้หาคนทางที่พ้นทุกข์ทั้งนั้นเลยนะจริงๆแล้วเขาก็พยายามที่จะเข้าถึงพรนิพพานนั่นเองแต่ว่าเขาทําไม่ถูกทางนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์อย่างแน่นอนนะจนทั้งในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็บอกว่าคนทาง ก็คือมรคนองแปดนั่นแหละอ่าก็คือสรุปแรกก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละก็คือทางแห่งความพ้นทุกเนี่ยแผู้ใดที่ปฏิบัติตามทางนี้ก็จะต้องค้นทุกอย่างแน่นอนนะนะเพราะฉะนั้นใน <c oughs> ในยุคของพระพุทธองค์เนี่ยผู้ที่มีบา ร, รมีเก่าเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะฟังทำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะอาจจะแค่ประโยคสองประโยชนก็สามารถที่จะบรรลุพระนิพพานนะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะเหมือนกับพระยาศะ พย า, าสานีนะ่บอกว่าออที่นี่มีความทุกหนอที่นี่ทุกหนอพุทธเจ้าก็บอกมาฟังทำนะครั้งแรกก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันเลยนะฟังครั้งที่สองก็เป็นพระรหันต์นะคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีบา ร, รมีเยอะเยอะอยู่แล้วมีปัญญาอยู่แล้วเนี่ยพอใครมาชี้ทางปุ๊บเนี่ยเขาก็บรรลุทมได้เร็วนะแล้วก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าตราบใดที่ยัง มีการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ตราบนั้นก็จะไม่สิ้นจากพระรหัส น, นะเพราะนั้นแม้แต่ในยุคที่ผ่านมาจนถึงในยุคเรานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีพระอรหันต์นะเพราะว่าตราบใดที่มีกา ร, ป, รปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องเนี่ยก็มีพระรหัตนแน่นอนนะอย่างเช่นครูบาอาจารย์ต่างๆหลายๆองค์เนี่ยท่านก็น่าจะเป็นพระอริยเจ้ า, ช, าชั้นสูงได้เท่าริพันธ์ผ่านมานะ เพราะนั้นนี่ก็จะเป็นกําลังใจให้กับยุบเราที่มาปฏิบัติธรรมกันว่าเราก็มีทางที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันถ้าเราตั้งใจปฏิบัติธรรมจริงๆนะคือว่าต้องมีความเพียรเผากินเลย น, นะความเพียร น, นี้ก็เรียกว่าจะต้องเรียกว่าเอาชีพไปเติมพันธ์กันทีเดียวนะการที่จะบรรลุธรรมไม่ใช่ง่ายๆนะพระุทธเจ้าก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอราหันต์ต่อสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ย ก็ท่านก็ปฏิบัติจนสลบมาถึงหครั้งพวกเราเคยสลบสักครั้งหนึ่งไหมมีแต่สลบบนเตียงนอนเลยนะแล้วนะก็ไม่บรรลุธรรมกันนะเพราะนั้นก็ต้องเอาจริงเองจาจังก็กเรียกว่าวิริเยนะทุกขมัจเจตินะคนเราพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะ <c oughs> พราว่าถ้าผู้ใดไม่มีความเพียรนนผู้นั้นก็ยากที่จะพ้นทุกข์โดยเพราะที่เรามาฝึกเจริญสติต้องมีความเพียรในต่อเนื่องก็คือต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องกั น, กนทั้งวันพระอะาจารย์ไปสารสมัยก่อนที่ท่านปฏิบัติใหม่ๆท่านก็ไปอยู่กับหลวงพ่อเทีย น, นก็ถามหลวงมเทียนว่าออจะปฏิบัติเวลาไห น, ไหนบ้างหลวงมเทียนบอกว่าปฏิบัติทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอ น, นก็คือปฏิบัติทั้งวันนั่นเองนะ คร น, นี้ถ้าเราจะฝึกเจริญสติจริงๆนี่ก็ต้องไปบัติทั้งวันคือในรูปแบบและนอกรูปแบบด้วยนะไม่ใช่ว่าทําแต่ในรูปแบบอย่างเดียวนะถ้าเราเรายังไม่รู้ตัวตลอดเราก็ต้องช่วยมันนิดนึงเออจะเดินเข้าห้องน้ํำะจะกวาดบ้านถูบ้า น, นแปรงฟันอาบน้ำล้างหน้าซักผ้าก็ต้องช่วยให้มันรู้สึกตัวนิดนึงนะคร น, นี้ถ้าทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งนะคิดว่าน่าจะ ในระยะแรกเนี่ยน่าจะ7จ็วันถ้าเราทําติดต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆปรับตัวได้เองให้รู้สึกตัวได้แทบจะตลอดเวลาได้เร็วขึ้นนะถ้าใครทําไปเรื่อยๆนีน่าจะซุกสมมุติว่าทําไปสัก1ปีแล้วเนี่ยมันก็จะไปอัตโนมัติแล้วละ่ะก็คือมันจะรู้สึกตัวได้อัตโนมัติเลยคือจิตมันจะไม่ไปไกลนะจะอยู่กับการที่เราเคลื่อนไหว ในการทํากิจการต่างๆนี่มันก็จะรู้ตัวไปได้นะครับมันก็จะปรับปรุงให้จิตเนี่ยกลับมาที่จะอยู่กับเนื้อกับตัวได้ตลอดเวลานะนี่ก็คือความเคยชินของจิตนะก็ต้องอาศัยการต่อเนื่องเป็นหลักนะการต่อเนื่องเป็นหลักแล้วก็เข้าใจเทคนิควิธีของอารมณ์เมต i น n c e ก็คือวางกายคลายวางใจกลางไม่เพ่งไม่จ้องนะให้รู้เฉยๆนะแล้วก็ไม่ห้ามความคิดนะ ให้ปฏิบัติให้ต่อเนือ่องไปลูกโซ่นะแล้วก็อยาอยู่นิ่งแล้วก็อย่าอ ย, กอ ย, า, กอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างมีเนะี่ยถ้าใครเข้าใจเทคนิคตามนี้ก็จะสามารถที่จะเข้าถึงตัวสติสัมปชัญญะได้อย่างยังไม่ยากนะจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากหรอกถ้าเราเข้าใจในการปฏิบัติเพราะ ว, าว่าวิธีการเจริญสตินี่มันง่ายกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเลยนะถ้าใครเข้าใจนี่ก็คิดว่าไม่กี่วันก็คงจะได้ความรู้สึกตัวแล้วนะ ล้ก็อาศัยความรู้สึกตัวนะนะั่นแหะก้าวต่อไ ป, อไปนะก้าวต่อไปในการที่จ ะ, ะไปเห็นรูปเห็นนามนะก็คือเห็นความคิ ด, คดนะเห็นความเคลื่อนไหวของร่างกายต่างๆว่ามันแยกกันนะกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตนะจิตมันก็คิดมันก็ทางานกันไปเราก็บังคับบัญชามันไม่ได้มันก็คิดมันไปเองนะเนี่ยเราก็จะค่อยๆแยกแล้วก็ค่อยๆเข้าใจในจิตใจและร่างกายของเราได้มากขึ้นนะในที่สุดเราก็จะ พ้นจากความทุกข์ได้นะเลย อ, อย่างหนึ่งทำไมเราต้องมาเจอริญสติกันนะเพราะว่าคนเราเนี่ยทำทั้งบุญทั้งบาปนะครนี้จุดสำคัญก็คือตอนก่อนตายนะก่อนตายนี่เป็นจุดที่สำคัญมากเลยนะคือนะจิตคนเราก่อนตายเนะี่ยถ้าถ้าไปจับสิ่งที่เป็นอุปสนนะเขาเรียกว่าจิตเศร้าหมองแล้วล้วต้องไปสู่นะทุกขติภูมนะอย่างที่พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ว่า จิตเตสังเกตเห ท, ทุกติปาติกลางขานะี่เมื่อจิตเศร้ามองแล้วทุกขติเปน็นอันหวังได้นะจิตเศร้ามองก็คือการที่จิตของเราเนี่ยนะั่นึกไปในทางที่เป็นอุปสนทั้งหลายนะเพราะว่าคนเราเนี่ยทาทั้งบาตรบุญนะถ้าจิตเรานึกไปในทางไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าจิตเราเศร้ามองแล้วเนี่ยเราก็จะไปเกิดนะในอนะทุกติภูมินะก็มีนั่นะักเดริชานไปรตสุรกายสาตัยสตว์นรกนะจะยกตัว อ, อย่างว่าเ อ, อพระนางมาริกาเทวีนะ พนางมาริกาเทวีเนี่ยเป็นมาเหศีของพระเจ้าปราะสิทธิโกศนนะก็ทําทั้งบุญทั้งบาปนั่นแหละแล้วก็ทําบุญเยอะด้วยทําบุญกับพระพุทธเจ้าด้วยครนี้นะพอขณะที่จะตายเนะี่ยก็เป็นนึกถึงบาปที่ตัวเองทำเอาไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแค่นึกเท่านั้นนะจิตตายไปในขณะที่จิตเศร้าหมองก็ไปเกิดเป็นสารโลกอยู่เจ็ดวันนะครนี้ พระเจ้าปเนสนิโกศลก็อยากจะรู้ว่าพระมเหรศีนี้ไปเกิดเป็นอะไรนะก็มาถามพระเจ้าในเจ็ดวันนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วเออจะมาถามเรื่องเนี่ยถ้าตอบไปตามความจริงก็คงจะหมดศรัทธานในพระศาสนาแน่นอนนะก็ทําให้ลืมไปนะพอวันที่แปดเนี่ยพระนางมาริกาก็อ่าไปเกิดบนสวรรค์แล้วคราวนี้พระเจ้าปเนสนีโกศลมาถามอ่าข้าวงนี้จะมาถาม ตลอดทั้งเจ็ดวันเลยว่าตอนนี้พนางมณิการเนี่ยไปเกิดเป็นอะไรนะวันนี้ก็นึกขึ้นได้ก็เลยมาถามพระพุทธองค์พระพระุทธเจ้าก็ทรงตัดว่ามหาบพิทยาวิตกกังวลเลยนะตอนนี้พนางมณิการเนี่ยขึ้นไปเกิดบนสวรรค์แล้วนะพระเจ้าประเสริฐนิกโกสก็บอกว่าเออก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันนะเนั่นี้เราก็จะเห็นว่าถ้าถ้าก่อนตายเนี่ยเรา ไม่สามารถที่จะรักษาจิตได้เนี่ยแม้ว่าเราจะทําบุญหรือปฏิบัติธรรมเราก็อาจจะไปเกิดในทุกติภูมิได้ก่อนนะเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกเจิตลสติเนี่ยก็คือจุดหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเห็นความคิดได้ไวนะเห็นความคิดได้ไวรณะนี้การเห็นความคิดนี่ได้ไวมันก็มีประโยชน์ตรงว่าเมื่อความคิดที่มันไหลไปในทางอกุศลเนี่ยเราก็รู้ทันแล้วเราก็ออกจากความคิดที่เป็นอกุศลได้นะอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญอย่างหนึ่งนะ แล้วก็พยายามทือทุกวันนี้ถ้าเราเจริญสติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นความคิดได้เร็วขึ้นนะครั้นี้เราก็ต้องออกจากความคิดที่มันไม่ดีทั้งหลายแหล่ให้ไวนะครั้นี้อย่างอย่างเช่นถ้าเราเรามีความไม่พอใจนะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นนะมีโทสะเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอุศลจริตนะอุศลจิตนะตนะแต่พอเรารู้ว่าขณะนี้เรากําลังโกรธนะ พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็คือสตินั่นเองคือความระลึกได้ว่าเราขณะนี้ก็โกรธแล้วเนี่ยตัวนี้ก็เป็นกุศลจิตนะอันนี้ก็จะเป็นบุญทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นบุญนี่มันไม่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปให้ทานรักษาศีลหรืออะไรนะแค่เราสามารถระลึกได้ว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่หรือขณะนี้มีลมอะไรอยู่นะแม้แต่เรามีความโกรธพอเราระลึกได้ปุ๊บนี่ก็เป็นบุญเกิดขึ้นมาเลยนะเ<ๆ>พราะว่าเ<ๆ>ขาเรียกว่าคนเรานี่มีอยู่3อ่าสา สามทวารที่มันจะเกิดกรรมนั่นก็คือทางกายยกรรมมโนกรรมและวาจีกรรมก็คือกรรมเนี่ยเกิดขึ้นได้3อย่างคือกายวาจาใจนะทั้งดีและทั้งไม่ดีนะเพราะฉะนั้นการรักษาจิตของเราเนี่ยจึงเป็นสําคัญที่สุดนะการรักษาจิตนะรู้ทางจิตเนี่ยมันก็จะก่อให้เราเนี่ยไม่ได้ไปทํากรรมทางใจนะเขาเรียกว่ามโนทุจริตนะคือกรรมทางใจเนี่ยเป็นมโนทุจริตพรเราคิดไม่ดีมันมันก็เป็นบาปกับเราได้นะ แต่เราคิดดีปั๊บเนี่ยก็เป็นบุญนะจึงต้องรักษาใจไว้นะในสมัยหลวงปู่มั่นผู้เลียงทัตโตเนี่ยท่านสามารถที่จะรู้ว่าละจิตของลูกศิษย์ของท่านได้นะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ที่ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นเนี่ยจะสําเร็จทำได้เร็วนะบนรรลุเป็นพระรยาเจ้ากันได้เยอะนะเพราะว่าขนาดที่อยู่หลวงปู่มั่นเนี่ยลูกศิษย์ก็จะไม่กล้าที่จะคิดไปนในทางอกุศลทั้งหลายนะถ้าใครคิดไปนในทางอกุศลทั้งหลายก็โดนท่าน โดนท่านเอ็ดบ้างบางทีก็โดนไล่หนีเลยไล่หนีไปเลยนะเพราะนั้นลูกศิษย์ที่อยู่กับท่านเนี่ยต้องรักษาใจให้ดีนะไม่ไปคิดในเรื่องที่ฟุ้งซ่านเนี่ยพอรักษาใจให้ดีปั๊บเนี่ยจิตมันก็จะเกิดมีสติมีสมาธิขึ้นมานะมันก็จะเป็นการต่อเนื่องกันไปนทั้งวันเองนะเพราะลุงปู่มันท่านรู้หมดใครอยู่กุฏิไหนทำอะไรไม่ดีเนะี่ยท่านรู้หมดเลยมันก็อยู่แม้แต่อยู่คนเดียวก็ต้องรักษาใจนะก็เลยมีโอกาสที่บรรลุธรรมได้เยอะนะครั้นี้นะ ถ้าเราสามารถที่จะรักษาใจของเราให้ดีในะมันก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้อย่างที่นั่นก็คื อ, อทำทำให้ต่อเนื่องกันรักษาจิตให้ต่อเนื่องนะแล้วก็พระพุทธองค์ก็ทรงตัดไว้ว่าจิตเตอสังหรเถสุขติปาติังขาเมื่อจิตไม่เศ้ามองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้นะก็คือเมื่อจิตไม่เศร้ามองนั่นก็คือจิตผ่องใสนั่นเองก็คือไม่ไปคิดในสิ่งที่เป็นอกุศลนะแต่ว่าไปคิดในทางที่เป็นกุศลแทนนะ พอจิตมาผ่องใสเนี่ยถ้าเราตา ย, นยหนึ่งจิตผ่องใสแล้วก็ไปเกิดในสู่สุคติภูมิมันคือเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมเนีเพราะฉะนั้นาการที่เราฝึกจิตสติเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ในขณะก่อนตายนี่ด้วยนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องอฝึกให้ได้ในตอนนี้นแล้วก็อย่าไปกลัวความตายก็เรียกว่าถ้าคนเราจะตายเนี่ยก็ต้องตายอย่างสง่างามนะไม่ใช่ว่าความตายจะเข้ามาถึงเราแล้วเราไปกลัว ความกลัวนั่นแหละทำให้จิตเศร้าหมองนะแต่ถ้าเราตายก็ตายนะตายด้วยความสง่า ง, งามนี่เราก็จะเรียกว่าจิตผ่องใสเลยนะคราวนี้คนที่คนที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เชื่อในเรื่องบาปเรื่องบุญเนะี่ยพวกนี้เวลาจะความตายยังมาถึงเขาจะกลัวมากนะจะกลัวมากๆแต่คนที่เชื่อในเรื่องบาปบุญนะเชื่อในเรื่องนรกสวรรคนะ์ชาติน้ามีจริงต่างๆเราเนี่ยเป็นคนที่ทาความดีทาบุญเอาไว้เยอะเนะี่ยเวลา ความตายยังมาถึงเนี่ยเขาจะไม่กลัวหรอกอถือว่าเป็นการเปลี่ยนภพภูมิไ ป, ปนในทางที่ดีขึ้นนะหรือว่าถ้าก่อนตายนี่เราสามารถวางใจได้ถูกต้องนะก็คือปล่อยวางทุกทุกอย่างออกากใจนะไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันห้าก็คือร่างกายของเราเนี่ยเราสามารถที่จะไม่ยึดในร่างกายของเรานี้แม้แต่นิดเดียวนะปล่อยวางทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็สามารถที่จะถึงพันธุ์พานในตอนนั้นได้เลยนะเพราะฉะนั้นจิตก่อนตายเนี่ยเป็นจิตที่สําคัญมากนะ เราต้องฝึกที่จะปล่อยวางปล่อยวางขันห้าของเราเนี่ยได้ตลอดเวลายิ่งดีนะโดยพาะก่อนนอนเนี่ยดีมากนะก่อนนอนนี่เราถ้าเราทําใจคล้ายๆว่าเออถ้าเราตายไปในคืนเนี่ยเห็นไหมแค่คืนนี้เราไม่มีพุ่งเนี่ยเราจะวางใจอย่างไรนะเราก็ฝึกปล่อยวางเอานะปล่อยปล่อยการยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราออกไปให้หมดนะทั้งกายทั้งใจเนี่ยมันก็ค่อยๆเขาเรียกว่าหัดตายก่อนตายนะ จิตมันก็จะมีความเคยชินในการที่จะปล่อยวางบ่อยๆนะคราวนี้พอเราขณะที่เราจะมีความตายจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นความเคยชินที่เราจะทำได้เขาเรียกว่าเป็นวสีนะวาสีในการปล่อยวางเนี่ยจิตมันก็จะเข้าสู่สภาวะที่มันจะปล่อยวางได้จริงๆนะเพราะว่าการตายนี่บางทีมันก็มีเวทนาเกิดขึ้นด้วยนะก็ต้องฝึกที่จะชนะเวทนา เราก็ต้องฝึกที่จะเมื่อเรากเกิดเวทนาบางอย่างเกิดขึ้นก็ต้องพยายามฝึกที่จะอย่าไปสนใจมันปล่อยวางไปพยายามแยกกายกับใจออกจากกันนะคือคนเราเนี่ยบางทีเราเรามีโครคภัยไข้เจ็บบางอย่างนะหรือว่าได้รับบาดเจ็บต่างๆนี่เราก็ต้องฝึกไอ้ตัวนี้ให้ได้นะที่จะดูว่าร่างกายเนะี่ยมันเจ็บมันก็เจ็บแค่ากายแต่ใจเราก็ไม่เจ็บไปด้วยพยายามฝึกแยกกายแยกใจหรือแยกรูปแยกนามในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละ เวทนาอะไรเกิดเส้็จเราก็แยกมาเลยอย่าไปสนใจกับเขาแยกไม่เห็นนะ่ะที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะฝึกบ่อยๆนะฝึกที่จะเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะ่ะมันก็จะแยกได้เองนะ่ะม่ก็เห็นว่าเออนะัมันก็ส่วนหนึ่งเราก็าส่วนหนึ่งนะไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกอ่านะจริงๆแล้วเนี่ยในจิตเราเนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นเรื่อยๆนะจะเข้าใจถึงสภาวะนะความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะของรูปของนามนี่แหละ คือการที่เราเห็นพระไตรลักษณ์นี่เราไม่ได้ไปเห็นที่อื่นนะไม่ต้ไปดูว่าเออสิ่งต่างๆบ้านเรือนภูเขารถยนต์เป็นของไม่เที่ยงเป็นของทุกข์หรืออนัตตาอันนั้นไม่จําเป็นต้องกลับมาดูในร่างกายของเราทั้งหมดนะกลับมาดูในร่างกายเราฝึกดูให้ชัดเจนในร่างกายของเราเนี่ยดูจะชัดเลยว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวไม่ตนม้นบังคับบัญชาไม่ได้ในจริงไหมนะ ฝึกเห็นพวกนี้บ่อยๆนะในในทสุดเนี่เราจะเข้าใจในตัวนี้โดยการฝึกที่จะดูความคิดก็ได้นะความคิดมันแวบแวบทั้งวันนะถ้าเราสังเกตเป็นเนี่ยจะเห็นความคิดเนี่ยมันแวบไปแวบมาในวันหนึ่งเป็นลอยๆครั้งนะมันเกิดเกิดดับๆเนี่ยเป็นลอยๆครั้งเลยเนี่ยสังเกตมันนะแล้วก็อย่าไปราคาญเนี่ยฝึกในตัวนี้จนจนจิตมันยอมรับเลยว่าอ ก็คือจิตมันทำงานเองนะความคิดมันก็ทำงานมันเองเราไม่ได้บังคับบัญชามันไม่ใช่ตัวของตนไม่ใช่ตัวตนเราที่จะบังคับบัญชาเขาได้เขาคิดของยเขาเองตลอดเวลาเนี่ยมันก็ค่อยๆแยกมาว่ามันทำงานมันเองนะเมื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นไปยึดอะไรสักอย่างหนึ่งนะไปยึดในสิ่งที่เขาชอบนะหรือไม่ชอบเนี่ยมันก็ยึดของของเขาเองเราไม่ได้ยึดนะ อยู่ดีๆเขาไปชอบคนอื่นเกิดไปชอบไปรักใครเขาก็ทํางานของเขาเองเราก็ไม่ได้ไปชอบกับเขานะหรือเขาไปเกลียดใครเขาโกรธใครเขาก็ทํางานของเขาเองนะเราไม่ได้ไปเกลียดไปโกรธกับเขานะก็คือฝึกแยกอย่างนี้นั่นเองดูว่าจิตเป็นทํางานมันเองไม่ใช่เราทําถ้าเราไปยึดไห้จิตเป็นเราเนี่ยเราก็กลายเป็นว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเนี่ยก็คื อ, อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเรานะ แต่เราจะไม่ยึดเราก็ดูมันทํางานมันไปเเราก็อย่าไปตัวอย่าไปเข้าไปเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนกับเขานะีมันก็จะแยกมาได้ว่าเออกายใจมันทํางานของของเขาเองนะถ้าเรายึดถ้าเราแยกได้แบบนี้บ่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ของเรานะอันนี้เป็นหนทางที่เราจ ะ, ะพ้นจากความยึดมั่นถือมาในร่างกายจิตใจนี้ได้เนี่ยเราก็จะเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้นะเอาล่ะเราก็ฝากธรรมะสิ่งเหล่านี้ไว้นะ อยู่ในใจของพวกเราทุกคนนะก็เราก็นำไปไปปฏิบัติธรรมกันนะให้เราเจริญเก้าหน้าจนทั้งถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ทุกท่านเทิน